หน้าสองสองสองตองสองบทที่สองลองอ่านพร้อมกันนียนะพร้อมกันอับอัมาหีตงังจิตงัตงอริปุณงังสุภาวิตงังยังปะมะนังปังธรรมะนะตัง สิติแปลว่าอบรมบอรยบุญดีแล้วเป็นจิตหาประมาณที่ได้กรรมที่ทําแล้วพอประมาณกรรมนั้นจะไม่เหลือในจิตนั้นบทที่สองทุรังขมังทุรังอังเลกจารา สสรรรางคูหาสยาเยจิตังสัญญะเมตสันติโมขันติมาลพันธนาแปลวา่าได้จักสำรวมจิตที่ไปไกลเที่ยไปดวงเดียวไม่มีรูปรางมีท่ามคือกายเป็นที่อาศัย ผู้นั้นจกพ้นจากเครื่องปูของมาบมทิีสามหันทะนงจากระรังชิตังทุกรักขางทุนิวารยังอุชุงตะโรติเมทาวีอุสุกาว ร, รวะเตชนังคนมีปัญญาทำกิที่ยทินลนกขวัดแหวงทักษายา นนให้ตรงได้นั้นใดช่างสอนูน้กสอนให้ตรงได้ฉันนั้นแค่นั้นพอปิดหนังสือบทชุดท้ายจำได้ไหมผันทานังจะบารังจิตตังธุระขังทุนิวาระยัง อุชุงกะโรติเมธาวิอิชุกะโรจเตชนังเป็นคาถาที่ไพเราะมากฝึกจำเอาไวน้นะว่าผู้มีปัญญาฝึกจิตที่ดิ้นดนรักษายากห้ามยากนะให้ตรงได้คือจะฝึกจิตที่มันดิ้นดนกวดแก่งรักษายาก ฝึกให้จิตที่ตรงได้ผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะฝึกได้นะคนไม่มีปัญญาฝึกจิตที่มันดินน้นรนกวัดแกว่งดินนน้นรนไม่ได้อุชุกะโรติเมทาวีอุชุกะโรวะเตชนัเหมือนช่างสอนที่ดัดรูปสอนให้ตรงได้ <c oughs> ฉะนั้นยมเคยได้ยินไหม ยมข้างเสานี่ยยมลืมตาขึ้นมองหน้าหลวงพ่อหน่อยไปนั่งหลับไม่เห็นหน้าหลวงพ่อไปไปหลับตาจงขอโทษนะทวงกันตรงๆอุชุง ก, การติเมทาวีอุชุ ก, การุตะเช่นระหว่างหลับตากืลืมตาในดี้าะลืมตาไม่ได้เห็นเลยรู้ โยมคนหนึ่งที่ทํางานดูสถานีไฟฟ้าขอนแก่นเขืนน้ําพองเป็นลูกศิษย์ของปุโรหแขวนพระเต็มเลยนะรู้ว่าหลวงพ่อเทียนมาที่วัดโมกขอนแก่นก็อยากจะเอาพระไปให้หลวงพ่อเทียนดูว่าองค์ไหนขังกว่าเพรารู้ว่าเป็นพระวิปัสสนาด้วยนะนม่ได้คิดว่าท่านสอนแบบไหนไม่รู้นะไปหาหลวงพ่อเทียนก็ถามหลวงพ่อได้เขาวพ่อเป็นพระวิปัสสนา สอนวิปสัสนาใช่ไหมก็พอแนะนำได้ยมไม่ถึงกับเก่งแล้วผมได้ข่าวหลวงพ่อสอนแบบวิปสัสนาลืมตาให้ลืมตาไม่หลับตามจะสงบได้ไงหมพ่อก็ถามว่าความสงบมันดียังไงอสงบมันก็ดีทุกคนปฏิบัติก็เพื่อสงบนละ้นวงพ ระดับตาสงบกับลืมตาสงบเนี่ยอันไหนดีฝ่าก็สงบก็ดีกว่าอารมณ์นนะ่ะปฏิบัติแบบไหนอ่ะก็ดือดพวกทวูทำให้หลวงพ่อดูหน่อยทําแบบนี้ mm hmm. แต่ว่าก่อนที่จะทำนี่ของอะไรต่างๆในตัวโยมออกมาให้หมดก่อนนะเป็นพระเครื่องเป็นสร้อยเป็นเลดเป็นกระเป๋าเป็นอะไรต่างๆมากองว่าข้างหน้านีห้หมด ยุมนั่งออกมาแล้วนั่งขาขวาทับขาซ้ายตามที่ผมเคยทำแหละมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวตรงดำรงสติมันำดำรงหายใจเข้าพุทดำรหายใจออกวัฏวิถีทำตามสูตรของโยมนั่นแหละก็ทาไปสักพักหนึ่งในช่วงที่ทำหลวงพ่อก็มูฟของทัวอย่างไว้กันขังหลังแก่พอแล้วห้าหนาทีลืมตา ของยุ่มหายไปนีนหมดไม่รู้ครับว่างั้นนั่งหลับตาของหายไม่รูนมาดีหรือไม่ดีหนั่งตาหลับตาแล้วสงบของหายไม่รู้ดีหรือไม่ดีแกก็ไม่จอบอะเนาะที่หลวงพ่อสอนลืมตาหลวงพ่อก็สงบเหมือนกันแต่มันรูกก้ว่างัะนต้องทําแบบหลวงพ่อด้วยมั้งแกถือโอกาสสาธิตการสร้างยาว์อายดูอฝึกจนแก่เป็นนะในช่วงที่ฝึก ในช่วงที่ยกไปยกมาหลวงพ่อค่คอยมูฟของที่อยู่ข้างหลังมาข้างหน้าเขาถามว่าตอนนี้คุณรู้หรือยังว่าของคุณหายไปไหน mm hmm. รู้แล้วครับไปได้ไงหลวงพ่อเคลื่อนมันไปแล้วมันมาได้ไงหลวงพ่อเคลื่อนมันมาแล้วเวลนั่งหลับตาแคุณไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ครับนั่งลืมตาคุณรู้ใช่ไห ม, ไมรู้แล้วอันไหนมาดีกว่ากันสรุป๊ปเข้ามาตรง น, นี้ <laughs> นี่วิธีการของพอเทียนนะคือท่านไม่ต้องไปอธิบายให้ยากทําให้เห็นเร็ว่นะไหดีไม่ดีอีกครั้งหนึ่งหมอวัฒนาลูกศิษย์หลวงพออยู่ที่สมิติเวชอันนั้นก็เป็นนักเลงพระเครื่องเหมือนกันนะพอเขารับใการอยู่โรงพยาบาลขึ้นเอยู่ที่สุโขทยัยที่นสุโขทัยเขาเล่นพระเครื่องเยอะเนาะวัตถุโบราณมาเยอะนะ อ, อะที่นี้แกเป็นหมอใครมารักษาต่างตังไม่พอตังก็เอาพระมาให้แทนก็มีแกว่า ทีนี้ก็ก็หอบพระอ่ารข้อที่วัสนามในแกอธิบายเรื่องพระเนี่พระหลวงพ่อนี่เนื้องผงเนื้อนุปกาวเนื้อมะขามอะไรต่างทั้งหมดนี่สร้างมาประมาณเจ็ดร้อยปีหลวงพ่อว่าองค์ไหนดีหลวงพ่อรู้ขึ้นเลยนะลงไปหน้ากุฏิเหยียบดินนี่หมอเห็นดินนี่ไหมเห็นดินที่หลวงพ่อเหยียบ ม, มันมีมากี่ล้านปีแล้ววะ <laughs> หลายล้านปีบ้างแต่ผ้าหมอนเจีนร้อยปีสู้ดินที่หลวมข้อเหยียบนี่ไม่ได้โอ้หมอนหน้าแตกเลยมหมอวัฒนาผาเล่าให้ฟังฮะาดินที่หลวงข้อเหยียบเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์กว่ามันแล้วจะเห็นว่านี่คือวิธีการของพระเทียนที่มาเล่ากันก่อนนะ่ะ ม, มาไปถามเรื่องรูปน้ำขั้งแรกใช่ไหมท่านเอาคนมาเปิดให้ดูนะ่ะอันนี้คือวิธีการเป็นวิธีที่ อะไรที่ตรงๆชัดๆแล้วก็ฝังใหญ่ได้นานจนหมอวัฒนาก็ยินตามปฏิบัติกับหลวงพ่อจนก็าถ้าเป็นคล้ายๆว่าเป็นคนรู้จักกันมาตั้งแต่เล็กๆเพราะนั้นเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยทำยังไงให้มันเกิดปัญญา เพราะการที่จะชาระจิตได้เนี่ยมันต้องมีปัญญานะถ้านะ ม, มีปัญญาเนี่ยชำระจิตให้สะอาดปัญญายะบริสุทธิ์จิฉีดติดสะอาดได้ด้วยปรรยัญญาแต่ปัญญาตัวนี้มันจะศาสตร์ได้ต้องอาศัยรีไฟคือทําให้บริสุทธิ์บ่อยๆแต่ตัวที่จะทําให้ปัญญาบริสุทธิ์นัคือวิริยนาทุกามเจติคนเราจะหลุดพ้นได้ด้วยความเพียรจิตสะอาดปัญญาบริสุทธิ์ถึงจะหลุดพ้นได้ทีนี้ต้องใช้ความเพียรจะพ้นทุกได้ด้วยความเพียรแต่จิตสะอาดจะทําด้วยปัญญานะ แต่ จ, จิตตั้งมั่นทำด้วยสติลรวจะเห็นว่าในตัวธรรมานุปัสนาที่เราสวดตอนเช้าเนี่ยเรื่องอะไรนะจำได้ไห ม, มนีวรห้าใช่มมีห้าอย่างคือบางทีในกามกามะชั้นทังวากามชั้นโทติปรชานาติเมื่อมีความใคร่ในกามก็ให้รู้ว่าความใคร่ในกาม เมื่อไม่มีก็ให้รู้ว่าไม่มีแล้วทำความใคร่กรารเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็ดับไปอย่างไรแล้วทำให้ดับไปไก็หมุนสีรอบนะรู้ว่ามีสันตังวาอจจังการมาชันโตติปะฌาพอรอบที่สองอสันตังวากามาชันโตติปะชานตาิทีนี้ไอ้แต่ละข้อเนี่ยมันหมุนสีรอบสีรอบหพ่อก็เห็นว่ามันยาวก็เลยมาตัดเอา เอาตัวอย่างของเรื่องการมชันทากก่อนพอบยาปรารทะทีนวิทะอุทจักอุทจาวิจีสามารวบเป็นอเดียวเลยไม่งั้นมันยาวเกินไปถ้าสมมติว่าข้อละสี่รอบหูซ้ำไปซ้ ม, มาทั้งหลายหน้าก็สวดก็หน้าเบื่อใช่ไหมก็เลยใช้วิธีย่อมาแบบนั้นก็เออสวดได้เพราะฉะนั้นสถิริฐานสูตรที่สวดได้มีหนัสืเล่มนี้เล่มเดียวนะทั่วประเทศส่วนใหญ่ที่เขาทำมามันสวดไม่ได้คือมันซ้ําไปซ้ำมายืนเยอะอะขาก็ไม่อยากสวด แต่มาใช้วิธีรวบห้าเหลือหนึ่งอย่างพุทชงเจ็ดเหมือนกันเจ็ดเหลือหนึ่งแล้ยกตัวอย่างของสติขึ้นมาก็วิทยาสัมพุทธชงปัศธิสัมพุทธธรรมวิเชยะสัมพุธชงวิทยะสัมพุชงปิติสัมพุทชงปัศธิสัมพุทธชงสมาธิสัมพุทธชงเปรียหานสัมพุทธรวบมาเป็นอันเดียวเลยมันก็สวดได้ทีนี้เพราะนั้นเองในเวลาเราปฏิบัติก็เช่นเดียวกันนะว่า ตัวนิวรณ์ทั้งห้าเราก็มารู้ว่าความขี้เกียจเอามาสรุกว่าตัวตัวเพลินตัวขี้เกียจนี่คือกา ม, มาฉันทะกา ม, มาฉันทะในระดับเราเนี่ไม่ใช่เรื่องเพศแล้วใช่ไหมแต่เป็นเรื่องอารมณ์นะเป็นเรื่องอารมณ์ที่มันเพลินที่มันสนุกสนานในรูปเสียงกินรดแล้วก็เพลินอยู่เพลินกินเพลินหลับเพลินนอนเพลินเล่นเพลินในเรต่างๆเนี่ยเป็นการมฉันทะหมดแต่ตัวนี้คืออุตุศักดิ์นะ ที่นี่มันเกิดมันมีหรือไม่มีมีตลอดเวลาหรือมีเป็นบางครั้งความู้สึกแบบนี้มีเป็นบางครั้งแต่ให้รู้มันตามที่เราสวนนะกรรมชั้นโทติปชารู้ชัดว่าความพอใจในกามของเรามีอยู่หรือไม่มีอยู่รู้ชัดแค่นี้แหละขณะนี้มันไม่มีความใคร่ในกามความเบื่อความเพลินแหลรก็ไม่มีก็ให้รู้มันออกไม่มีลักษณะ จ, จิตที่ไม่มีความ อยากความใคร่ความสนุกสนานความเพลินเนะ่ยมันเป็นอย่างไรก็เข้าไปดูจิตนั่นอีกนีความหมายเขานะแต่ส่วนใหญ่เราเป็นไงพอไม่มีเราก็ไม่สนใจใช่ไหมเราก็มาสนใจเท่านั้เท่าที่มันมีแต่มันมีก็สนใจไปอีกแบบนะไม่ใช่สนใจที่จะดูธรรมชาติของมันสนใจจะทําไงเพ่ตอบสนองมันนี่มันก็เลยไม่ถูกทำเวลา เพลินสนุกสังเพลินมาแทนที่เราจะเห็นความอ๋ออาการค้นเพลินไปอย่างนี้เนาะแทนที่ศึกษาตัวนั้นเพราะอาการที่ไม่เพลินไปอย่างนี้เนาะมันเกิดขึ้นความไม่สนุกความเบื่อเพราะอาการเบื่อไปอย่างนี้เนาะการเข้าไปดูตัวนี้ชัดๆนั่นแหละเป็นตัวกรรมฐานมันเกิดก็ดูอาการของมันเกิดขึ้นที่มันลงลงไปยังไงมันไม่มีก็ให้รู้อ๋อจิตตัวนี้ไม่มีราคะไม่มี โทสะก็ไม่มีโมหะภาวะจิตที่มีเวลาครับมันเป็นอย่างนี้ภาวะจิตที่มีมีโทสะเป็นอย่างนี้ภาวะจิตที่มีโมหะเป็นอย่างนี้เห็นชัดเวลามันเกิดขึ้นมาก็ไปรู้มันอีกว่าอ๋อภาวะจิตที่มีราคาอย่างนี้เวลาจิตมีมีโทสะมันเป็นอย่างนี้จิตมันมีโมหะเป็นอย่างนี้พอการเข้าไปดูแค่เนี้ถือว่าทำวิปัสสนาจบละแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งอาการเหนือ น, นี้ของจิตมีมากหรือมีน้อยมีเยอะมากเลย อันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราจะสามารถภาวนาได้เร็วในสมัยขัง้งพุทธกาลพ่อค้าแม่ค้าทําในที่เข้าวัดฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วส่วนใหญ่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาสีคากันเป็นส่วนใหญ่เพราะเขาใช้ชีวิตจังหวะแล้วพุทธเจ้าก็เน้นด้วยเน้นชีวิตจังหวะมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งบวชนานิทานเยอะนอะบวชนานิทานว่ามีพระองค์หนึ่งเข้าไปบวช บุ้ดีเจ้าเป็นพระบุรุษชนเนี่ยบทก็มีศรัทธาแต่ว่ายังยังไม่บรรลุธรรมนี่ในช่วงออกไปวินาบาทบัตรทุกวันทุกวันวิโยมคนหนึ่งที่เป็นยุบาสศีกานี่ก็เหมือนกับโยมกรุงเทพอะ่ะผูกวินาบาทบัตรประจำใช่ไหมทุกเช้าก็ไปบ้านนี้ทีพระองค์นี้ก็มาคิดสะทอน สังเวชใจตัวเองว่าเอ้เราก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมไม่เหมือนกับหลวงพอ่อหลวงพี่องค์นั้นท่านเป็นพระหลานพระอนาคาคาแต่เรายังไม่เป็นอะไรเลยไปบิณฑบาตฉันข้าวคนทุกวันเนี่ยมันไม่ดีกลัวบาปเออท่านก็มีสํานึกที่ดีนะก็เลยเราจะตอบสนองบุญคุณโยมคนนี้อย่างไรเออเอางี้กันพระพุทธเจ้าท่านเทศทุกวันชวนโยมไปฟังธรรมถึงเราสอนไม่ได้ชวนโยมไปฟังธรรมอย่างน้อยก็เป็นการตอบแทนบุญคุณ ในพุทธเจ้าก็แสดงธรรมแต่วันนั้นพอแสดงธรรมเรื่องสติประฐานพระคิดว่าอูสติปัฏฐานที่พุทธเจ้าสอนละเอียดเหลือเกินเราจะมานั่งมานอนกินอยู่กับวัดกับวังนี่ทำไม่สาเร็จแน่ก็เลยแบกกรดเข้าป่าไปบำเพ็ญอยู่ในป่ากใกล้ๆโยมฟังสติปัฏฐานสุทธิวเจ้าสอนเหมือนกันอย่างที่เราสอนกันเนี่ย ก็คิดอีแบบหนึ่งอ๋อสถิติประธานสูตรสถติประธานนปฏิบัติอยู่ในบา้านในเรือนก็ได้เนี่ยให้รู้ทุกอาการที่เราเคลื่อนไหวคิดคนละอย่างเลยใช่ไหมแต่ฟังธรรมะกันเดียวกันแต่คิดคนละคิดคนละอย่างเลยจับเป้าหมายคนละทางโยมคนนี้ก็เอาสีประธานสีไปประยุกต์ใช้ที่มีครอบครัวมีลูกมีผัวอยู่ก็จักน้ําตําข้าวหุงข้าวเจ็บผักหักฟืนสัก สักพอนี่แทนรู้ตลอดเลยเวลาผ่านไปสามปีปรากฏว่าพระองค์นี้ไปทําแทนที่จะเอาหมดเคลื่อนไหวใช่ไปเอาหมดอนาปานั่งดูลมหายใจนั่งหลับตาดูลมหายใจปรากฏว่าทํถึงสามปีจิตมันรวมพลังเกิดมีอาการจิตมีพลังมีฤทธิ์ะจะนึกจะคิดอะไรจะ แ, แสดงฤทธิ์เนี่ยได้ทาได้หมด ทีนี้ก็มั่นใจว่าองค์ตัวเองบรรลุทำแล้วก็เลยอยากจะไปโปรดโยมอ่าอันนี้นิสัยของพระนะอยากจะไปโปรดโยมก็เลยแ บ, บกกรดใบาบาทออกจากป่าก็ตื่นในเช้าว่าจะไปวิท่ทยวบาทบ้านโยมคนนั้นแหล ะ, ะว่าจะไปถามโยมวาปฏิบัติได้อย่างท่านไหมที่นี้โยมก็คิดเหมือนกันไอ้พระองค์นั้นสงสัยไปบําเพ็ญที่ใดที่หนึ่ง พอพระมาบิณฑบาตบ้านดูเห็นพระเดินมาแต่ไกลโยมก็อยากทดสอบพระเหมือนกันพระก็อยากทดสอบโยมก็ตั้คนดังมีใ น, ในใจอยู่เอาพระโยมคนนี้ก็ไม่เบานะเสร็จแล้วพอพระไปยืนตั้งบทีพอยืนปั๊บนี่ยโยมก็จะถือขันข้าวมาใส่บาทเลยไหมกุลิกุจาออกมาแต่นิยมทํางานไปเฉยเลยยังไม่ออกมาปล่อยให้พระยืนอยู่ตรงนั้นแหละ เวลาผ่านไปสักสิบนาทีโยมก็ถือขันข้าวออกมาพระนี่หน้าหงิกเลยนะตามบตินี่พอออกมาโนะยมกุรีบวจารณ์ตอนรับใช่ไหมแต่อันนี้ดีหน้าหงิกเลยโยมก็สังเกตอ่านใจท่านไปเรื่อยๆแล้วก็ทําท่าจะไม่เปิดบาดก็ต้องเปิดพอเสร็จแล้วโยมก็ถามว่าท่านหานนยไปเได้มาตั้งสองสามปีไม่เห็นมาเลย พูดไม่ได้เพราะว่าอะไรในช่วงสิบนาทีเนี่ยโกรธยมคิดตลอดเลยอ่คิดตลอดเรื่องนั้นได้โยงอยู่ในใจโยมก็ใส่เลยโอ้โหเสดายเวลาท่านสามปีเนี่ยท่านไปอยู่ป่าแล้วก็ได้วิชามาแต่วิชานั้นท่านแสดงฤทธปฏิหารลยไได้หมดแต่มันไม่ช่วยท่านไม่ได้ ว่าท่านมายืนอยู่ที่นี่สิบนาทีเนี่ยท่านอยากจะรู้ว่าท่านคิดอะไรบ้างโยมอ่านออกไปเลยนาทีที่หนึ่งคิดเรื่องนี้นาทีที่สองจนพัดตรกตกใจเอาโยอมรู้ได้ไงเอาไม่รู้ยังไงพรุทธเจ้าเนีสอนเรื่องสี่ประกานสีให้ดูตัวเองให้ดูกายดูใจตัวเองฉันก็ดูทุกวันตั้งแต่วันนั้นมาจนถงึงวันเนี้ดูตลอดเนี่ยเมื่อรู้ใจเห็นใจตัวเองเห็นกายตัวเองแล้วทําไมจะรู้เรื่องคนอื่นไม่ได้ โยมคนนี้บรรลุธรรมถึงขั้นว่าอนาคามียแต่พระท่านบอกว่าท่านได้โลกิยาชานได้ที่เด็ ด, ด, ดจริงไม่เห็นเนื้อพระเทวทัตนะไปบำเพญ็ญจนได้โลกิยาชานสามารถสแสดงฤทธิ์เอาพระเจ้าพิมพิสารมาเป็นลูกศิษย์ได้ก็ไปทำร้ายพระพุทธเจ้ามีตัวอย่างอยู่แต่ทำไมท่านไม่ไมศึกษาท่านได้โลกิยาชานแต่ว่ากิเลสท่านยังเต็มหัวอยู่เลย <laughs> โอ้เอา้าพระเลย ใจอ่อนทิฏฐิลดทันทีโยมก็บอกว่าท่านไปศึกษาใหม่ไปไปฟังพระพุทธเจ้าใหม่แล้วปฏิบัติใหม่พระองค์ก็ได้สติกลับมาโยมสอนยอะนั่นเลยเหมือนกันนะนี่คือตัวอย่างว่าการที่เราฟังจิตวิฐานแล้วอย่าไปคิดว่าพระต่านั้นทำได้โยมก็ทำได้ประการสำคัญที่มีศรัทธาไหมนี่คือเรื่องใหญ่ ถ้าเราไม่มีศรัทธาเนี่ยเราจะฟังครูบาอาจารย์สอนดีขนาดไหนเราก็ไม่ไม่เอาแต่ถ้าเรามีศรัทธาที่ถูกต้องแล้วอย่าว่าหลายองค์องค์เดียวพอนะแต่เอาไปทําให้มันถูกทําให้มันจริงเท่านั้นแหละแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงสภาวะการเป็นพระโสดากีนะคะไม่ใช่อะไรมากคือการมาดูกายดูใจของตัวเองเพื่อจัดการกายใจของตัวเองให้ถูกต้องได้แล้วไม่ไม่ทุกข์นันเองอะ่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเลยนะ แต่ที่นี่ส่วนใหญ่เราจัดการยังไม่ได้ตอนอยู่คนเดียวพอจัดการได้ใช่ไหมพอมีอะไรมากระทบเราหลุดไปเลยนี่คือหมายความว่าไม่ว่ า, ยายอยู่คนเดียวอยู่หลายคนจิตก็ปกติอยู่อย่างนั้นอะไรเกิดขึ้นก็ตอบสนองตามเหตุปัจจัยอาสามีลูกพ่อญาติพี่น้องมาเกี่ยวข้องกับสนองตามเหตุปัจจัยมันจาเป็นแสดงอาการอะไรที่มันเกินไปกว่านั้นนขอรับมาข้าวกินก็ทํำข้าวให้กิน ขอหาหน้ำาอากระทำน้ําให้เขาอาบก็าาาาาบแค่นั้นแหะจบแต่ที่มันมีอะไรอะมีอะไรที่มันไม่รู้ตัวเองมันก็จะทําอะไรเกินเลยไปทําอะไรให้เขาก็อยากจะให้เขาเอาใจอยากให้เขาขอบคุณอะไระอยากให้เขาตอบแทนอะไรพวกนี้นมันก็ต้องการทําอะไรแล้วก็อยากให้คุณรู้คุเห็นว่าทําดีให้คุยว่าเราปฏิบัติทำแลก็พยายามแสดงตัวเนี่ยมันมันก็มีตัวนี้อยู่เบื้องหลังหมดอะ แต่เราจะทำเพียวๆแบบให้รู้สึกๆโดยที่เป็นเรื่องของเราโดยเฉพาะคนอื่นไม่จำเป็นต้องรู้เนี่ยมันยากอะดังนั้นในบทสรุปสีประธานสูตรสรุปุท้ายที่เราสวดเมื่อกี้ อ, อิติการธรมมาติวาปนสัสส่วาปนัศสะว่า ทำที่มีอยู่มีสติรู้ธรรมที่เราเลือล่อนลึกในยาปนายะเพียงเพื่อรู้เราปฏิสติมัตกายะเพียงเพื่ออาศัยเลลึกที่เรามีอยู่เนี่ยเพื่อให้เป็นวัตถุไปที่ตั้งความรู้อาศัยเลื่อนลึกะนะาจะกิจิโลเกอุปทาอุปาธิยติคือไม่ยึดเสร็จแล้วก็ไม่ไปยึดอะไรในในทุกสิ่งอย่างไม่ไปยึดตัญหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้ ความอยากความอาตาตัตตาโดดเดีมันจะเข้ามาใส่ใจไม่ได้นะที่นี่เราสรุปทุกบทเลยดังนั้นการปฏิบัติจึงไม่ยากแต่ว่าการที่จะมีปัญญารู้ว่าถูกว่าผิดยากเพราะฉะนั้นเวลามาเจริญสฎิต้องการเจริญปัญญาแล้วปัญญาตัวนี้มันจะไปคัดเลือกสรรว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรใช่อะไรไม่ใช่แล้วมันก็จะทาง่าย มันจะไปทำลายตัวอุปทานนัจโโลกินัจกินจิโลเกอุปาธิยติไม่เถอไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกนี้อันนสิทธิต์ตัวเจ้าวิหารติตันหาและดิอาศัยไม่ได้คือหมายความในจิตใจไม่มีตันหาไม่มีที่ที่พร้อมที่จะรับทุกอย่างก็เลือกทุกอย่างที่เป็นประโยชน์อไหนไม่เป็นประโยชน์ก็ไปเสียเวลาของมันนะนั้ น, น, นจุดนี้แหละลองเอาไปศึกษาให้ดีว่าในนิวรห้าเนี่ย ไม่ว่าเรื่องการมาฉันทะพยาปาทะเกิดอย่างไรมีหรือไม่มีให้รู้อความง่วงมีก็รู้ไม่มีก็รู้แล้วส่วนใหญ่เราเป็นไงง่วงขึ้นมาง่วงก็ไม่รู้ไม่ง่วงก็ไม่รู้ถ้าง่วงขึ้นมาก็ก็งูห ง, ง, งิดหนีมาจบมาสูนลูกเดียวว่าง่วง เ, ลเหลือเกินเอาทำไมไม่รู้ง่วงมันไม่ได้เกิดขึ้นปุ๊บปั๊บเกิดใช่ไหมมันเกิดอย่างไรง่วงไง ใช่ไหมพเพราพลินทีไรนี่แล้วก็ไปแก้ไขตัวเพลินลไปแก้ไขตัวง่วงมันผลของมันไนงะไปแก้ไขได้ไงมันล็อกเรียบร้อยแล้วนะอ๋อมันเพลินนี่มันทาให้ง่วงง่วงแล้วมันทำให้ตาเป็นไงหนักใช่ไหมพอหนักหายใจก็เป็นไงเริ่มสั้นหายใจเริ่มแผ่วหายใจเริ่มตื่นมันก็กดเราทีนี้เนะี่ยพราะเราไม่รู้มันแต่พอเรารู้มันอ๋อตาหนักหนักแล้วเริ่มไหวทันละหาวิธีการนะทําให้ไวขึ้น เปลี่ยนจากอินิบ ท, ที่มีอยู่เปลี่ยนอินิบท์อื่นไปนะพวกไปเวียนมาเดี๋ยวมันก็หลุดกันได้แหละนะ <c oughs> นะแต่ว่าทําไมความง่วงคือมีที่ผลเพราะเรามีอารมณ์ร่วมและเราชอบมันด้วยนี่นีนะ่เป็นการพักสายตาอมามีเห็นผลนะนะั <c> ่น <oughs> เป็นการพักผ่อนเรนะเป็นการรีแลกอะไรมันก็เข้าไปเป็นสู่ทางของมันเลยแหละที่เนี่ยนะแล้ววิธีการนั่งหลับตากําหนดลมหายใจยิ่งเข้าไปง่ายเลยนะนะ เพราะฉะนั้นอันนี้คือท่านให้รู้นะแล้วก็ตัวฟุง้งซ่านตัวลังเลสงสัยได้กล่าวมาเมาื่อวานะกาะ karma ฉันทะเป็นเหตุให้เกิดอะไรนะราคะใช่ไหมมาจากราคาแล้วก็พยาบาทะเป็นให้เกิดโทสะแล้วก็อะไรเป็นเหตุให้เกิดโมหะสามตัวเลยใช่ไหม ทีนะวิทะทัจกุกุจาวิจิกิษาสามตัวนี้ก็ให้เกิดโมหะเพราะนั้นในช่วงที่เราห่วงก็ให้รู้ว่าโมหะเกิดขึ้นแล้วเพราะลักษณะโมหะเป็นอย่างนี้ลักษณะการเสพสุขความเพลินเป็นอย่างนี้ให้รู้นะเพราะฉะนั้นสามตัวราคาโทสะโมหะนิพพานทั้งหา้ามันก็นิพพาทั้งหก็จึงเป็นเหตุให้สามตัวนี้เกิด เ, กเดียวกิเลสอย่างยากราคาโทสะโมหะแล้วราคาโทสะโมหานี่ก็ แปลงตัวไปเป็นตันหาราคะก็แปลงตัวเป็นตันหากิเอย่างกลางโทสะก็แปลงตัวมาเป็นมานะกิเลอย่างกลางโมหะก็แปลงตัวมาเป็นทิฏฐิยังมีคำอีกชุดนึงตันหามานะทิฏฐิก็พัฒนามาจากราคะโทสะโมหกะกิเลอย่างกลางระหว่างราคะโทสะโมหะเนี่ยรู้ง่ายใช่ไหยเพราะเป็นตันหามานะทิฏฐิไปไงรู้ยากขึ้น นี่ที่ว่ามันเป็นกิเลอย่างกลางตัณหามานะทิชิมันก็มีขบนการจนไปถึงตัวสุดท้ายเป็นตัณหาเป็นตัวเป็นกิเลสละเอียดที่สุดคือเรียกว่ากามาสะวะอืมแล้วก็มานะแปลงตัวเป็นละเอียดที่สุดเ็เรียกว่าภาวาสะวะแล้วทิชิแปลงตัวเป็นละเอียดที่สุดก็เป็นอวิชชาสะวะหมายความก้นบึ้งแหละสามตัวนี้ยิ่งละเอียดยากลงไปอีกนะอันนี้คือ เราจะต้องใช้ปัญญาเท่านั้นที่จะไปพัฒนาแล้วตัวปัญญาที่ก็ต้องฝึกให้มากฝึกปัญญาโลกิยะกับโลกุตระต่างกันฝึกปัญญาโลกิยะไม่ควรต้องอ่านต้องเขียนต้องท่องต้องจําต้องศึกษาต้องเรื่องโน้นเรื่องนี้มันเป็นโลกิยะไมายควรเกี่ยวข้องด้วยวัตถุข้างนอกแต่แต่มันมีความจํากัดตัวโลคิยะปัญญานะโลกิยะปัญญาอาศัยการ ชาติกาปัญญาก็คืออาศัยพ่อแม่ปูย่ย่าตายายบรรพบุรุษของเรามีสติปัญญามีการศึกษามีประสบการณ์ชีวิตสูงเป็นนักกฎหมายนักปรัช ญ, ญาเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลลูกออกมาก็ได้ชาติกาปัญญาจากพ่อแม่ใช่ไหมถ้าครอบครัวหนึง่งพ่อแม่ทํางานหามลูงหามขํากลับมาก็กินเหล้ากินยาสนุกสนานเฮฮาทุวนลูกออกมาก็เป็นคนยังไง ก็เป็นไปอีกแบบหนึ่งชาชาติกับปัญญาไม่ได้สร้างมาลูกก็เป็นคนื้อคนล้านคนเกเลเกตุกกลลงไปตามพ่อตามแม่นี่ชาติชาติกับปัญญาพ่อแม่เขาสร้างมาอย่างนั้นอพอบางคนพ่อแม่ดีแต่ว่าปริหารธิกับปัญญาไม่เกิดหมายความว่าบริหารตัวเองไม่ดีพ่อแม่เกิดมาพ่อแม่มีการศึกษาสูงมีแต่คุณลุนชาติดีแต่ลูกขึ้นมา เกิดขึ้นมาไปตกอยู่ในกลุ่มของพวกวิชาทิฏฐิหรือกลุ่มอรนธพานสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนเด็กคนนั้นไปเพราะบริหารไม่ดีนะบริหาริการปัญญาไม่เกิดแล้วก็บางคนเกิดมาเป็นลูกคนผู้ดีมีการศึกษาก็พัฒนาตัวเองต่อมีอันนี้บริหารดีแต่บริหารไม่ดีก็พัฒนาไปเป็น โจรเป็นขโมยเป็นอันมาหานก็มีใช่ไหมดูคุณโดยทั้งหลายนี่ขับรถแว้นเวนเว้ น, วนกันนี่ใช่ไหมต่างรถดักฉับแต่ละวันก็ยังไม่เว้นแต่ละวันก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าเกิดมาแบบเป็นลูกของผู้ดีมีการศึกษาแล้วจะดีเสมอไปเพราะขาดปัญญาที่ทุจริตคือบริหารไม่เป็นบริหารตัวเองไม่เป็นแต่คนที่เกิดมาจากในตระกูลที่การศึกษานอ้อยเป็นอาบยมุกแต่ล้าว่าเขาบริหารดีถ้าเด็กคนนี้ไปตกในกลุ่มของ เพื่อนดีกระะนะิริยานาม่ดีใช่ไหมเด็กลูกคนจนนี่ยเป็นคนฉลาดแถมคงเราเป็นนักปราดก็มีไม่ใช่ว่าจะตัวการมีสัจจติกปัญญากําหนดจะดีเสมอไปก็ไม่ใช่แต่อาศัยการบริหารทิ้งเวดล้อมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เร า, าการพัฒนาปัญญาพอเป็นโลกุตระปัญญาเนี่ยให้ศึกษากลับเข้ามาข้างในการพัฒนาตัวโลเกียปัญญามีข้อจํากัด ตามที่ว่ามาแล้วจํากัดในเรื่องของศัญชาติกปัญญาปริหานิกปัญญานิปะกาปัญญานิปกะรปัญญาปัญญาที่เกี่ยวกับการได้ยินได้ฟังเรื่องเป็นอาจเป็นธรรมการศึกษาธรรมะการได้บทได้สูงคนนี้จะเกิดนิปะกาปัญญาแต่บุคคลคนนี้ไม่ได้ผ่านนิปะกาปัญญาก็ไม่เกิดในปัญญาสามตัวนี้คนไหนมีนิปะกาปัญญามากก็เจริญตัวโลกุตระปัญญาได้ง่าย หมายความนิพพกปัญญาคือปัญญาที่ต้องการที่จะเห็นทุกู้ทุกเข้าใจทุกเข้าใจปัญหาของตัวเองหรือของโลกอย่างไรคนเหล่านี้ก็จะโน้มมาศึกษาตัวโลคุตระปัญญาได้ง่ายโลกุตระปัญญาคือกลับมาศึกษาตัวเองศึกษาเวลาทุกเวลาเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอย่างไรสุขเวลาเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอย่างไรความง่วงเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอย่างไรจะดับมันอย่างไรความขี้เกียจเกิดขึ้นอย่างไรแล้วเนี้ยการศึกษาโลก กูจะรับปัญญาใครศึกษาเรื่องเหล่านี้สังเกตเรื่องนี้เฝ้าดูเรื่องนี้ได้มากที่สุดปัญญาของคนนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่จํากัดนะแต่ส่วนใหญ่พอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราไม่ตามศึกษาเราไปเป็นมันซะเราไปเสวยไปเสพมันซ ะ, ะความเพลินเกิดขึ้นแทนที่จะไปเห็นความเพลินอ๋อขั้นตอนเกิดความเพลินไปอย่างนี้แต่เราเข้าไปในความพุบเลยหรือว่าไปทานอาหารอร่อยแล้วก็ทานเต็มที่เลย แทนจะรู้ว่าไอ้อาหารอร่อยนี้มันประกอบด้วยอะไรมันมาจากอะไรแล้วก็รถนี้เป็นรถอะไรแล้วรถนี้แสดงตัวไป็นยังไงแล้วทําไมอาหารเหล่านี้เข้าไปแตะลิ้นแล้วทำไม น, ำน้ำลายมันออกเพราะอะไรเข้าไปเห็นอาการขาบวนกันโล ก, กุณฑลปัญญาเกิดแล้วใช่ไหมแต่ส่นวนใหญ่เราเป็นไงอร่อยแล้วลุยให้เต็มที่เลยใครมาเบรกไม่ได้ด้วยเนะเออแล้วเพิ่มอีกขอยสักถ้วยหนึ่งเนะไปนู่นเลย น, ะนี่คือมัญยาตรงนี้เอง เพราะมันมีอาสาทะอยู่คือมีรสชาติที่คอยแล้วเราก็ติดรสชาตินี้มาไม่รู้กี่พวกกชาติมันก็กลายเป็นราคานุษัยโลพานุษัยที่เป็นตัวหนึ่งประกอบตัวหนึ่งของสุขเวทนาซึ่งจะไดอ้อาจจะมีเวลาในกลางวันอาจจะให้ว่าให้ให้สุดใช่สุดหมดเลยนั่นน่าจะเห็นว่าการที่เราทั้งหลายมีโอกาสได้มาศึกษานะั่นคือมาบริหารโลกุตรปัญญา ส่วนใครจะบริหารได้มากน้อยแค่ไหนให้บทเรียนเท่าๆกันอย่างที่ให้อยู่เนี่ยแต่ใครจะทำได้มากได้น้อยได้ลึกได้ตื้นได้หนักหน่วงแล้วก็ผิวเผินขึ้นอยู่กับอะไรคุนแบตมันหมดหรือว่าเมนบรี memory of memory of มันเต็มอะไรเพราะฉะนั้น เ, เองเราก็ต้อง ใช้เวลาเพื่อศึกษาเรื่องนี้จริงๆมันที่ความเพียรที่เรายกมือสร้างจังหวะเดินโยคมทําเพื่ออะไรเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นน่ะแต่เรายกมือไปเพราะอะไรเกิดขึ้นห่วงง่วงเกิดก็ไม่รู้ความบื่เกิดก็ไม่รู้ไอการยกมือกับเดินโยกมมีประโยชน์ไหมไม่มีฟาวไปเฉยๆทาทิ้งไปเฉยๆแต่ไม่ได้ใช้อ่าไอตัวยกมือสร้างจังหวะดินโยกมเหมือนไก่ อะไรนะหอคอยที่สนามบินอ่ะที่มันมีอะไรหมุนดูตลอดเวลาเขาเรียกอะไรนะสัญญาล์เสาเนอะที่มันเป็นหอสัญญาณอ่ะสัญญาณบอกว่าเครื่องจะขึ้นอย่างไรเครื่องจะลงอย่างไรเครื่องที่เข้ามาเป็นเรื่องของเครื่องของในเครือข่ายหรือนอกเครือข่ายเครื่องของข้าศึกเูแร้วมิดอะไรเนี่ยตัวนี้จะรายงานออกมาสรุปผลมานที่หน้าคมใช่ไหม เจ้าหน้ที่น่าคงไปจะรู้เครื่องนั้นขึ้นเครื่องนี้ลงเวลาเท่าไหรเช็คแจ้งนั่นหมดแต่ตัวนี้ทํางานตลอดดูเหมือนไร่สาระาใช่ไหมแต่มันบอกข้อมูลอะไรเพียบเลยนะฉันได้ก็ดีไอการยกมือสร้างจังหวะเนี่ยเป็นสัญญาณให้เกิดสัญญาณภายในว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในกายในใจตัวเองแล้วตัวนั้นจะอ่านพออ่านปั๊บก็แก้ไขอันนี้มันมีความหมายอย่างนั้นนะถ้าหากว่าเรายกไปเดินไปแต่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้แสดงว่าสัญญาณเป็นไง มันไม่ได้คอนเน็กกับคอมพิวเตอร์มันฟรีเฉยๆเหมือนกับไอ้ไอ้กังหันเดียมันหมุนโดยที่มันไม่มีหมุนน้ําขึ้นมามันหมุนเฉยๆเนี่ยมันฟรีนะอเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นค่อนข้างสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่แก้ไขวันนี้นะจบนะงานนี้นวันนี้ต้องแก้ไขให้ได้นั่งสักร้างเยวาเพื่ออะไรเดิเนโยกงเพื่ออะไรเพื่อเป็นสัญญาณบอกว่าอะไรกําลังขึ้นในกายในใจ แล้วอ่านมันตัวไหนที่ไม่ต้องการหรือเป็นอากุศลไม่น่าไว้วางใจใช่ไหมก็แก้ไขมันเอาไปตัวไหนที่เป็นกุศลแล้วก็ใช้ได้แล้วก็ดูแลรักษามันไว้เนี่ยคือการที่เราทำเนี่ยเป็นธรรมานุปัสสนาแล้วก็ในตัวหมวดธรรมานุปัสสนาเนี่ยท่านเลี้ยงฝ่ายอากุศลไว้ก่อนเพราะส่วนใหญ่แล้วจิตของคนเนี่ยปุ๊บปั๊บเนี่ยอากุศลมักเกิดก่อน ที่มากระบมามเมื่อวานฝนตกเวลาน้ําไหลมันไหลขึ้นสูงหรือไหลลงต่ําเอมันเป็นธรรมชาติจิตก็เหมือนกันมีอะไรกระทบปั๊บมันมองไปทางอากุศลเสียก่อนพอมาได้สติปับ๊บเป็นไงอกุศลมันถึงเกิดใช่ไหมถ้าสติเราไม่ได้สร้างอ่ะกุศลไม่จะเกิดสักเท่าไหร่แท้จะไม่เกิดเลยอ่ะขนาดามาสร้างสติแล้วมันก็ยังเกิดอกุศลเฉยเลยจ้ะ <laughs> อย่าไป อันนับอะไรคนที่ไม่มาสร้างสตีปัญญาเลยมันยากเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นจะเป็นต้องสร้างให้เยอะให้มากเลยทีเดียวนะเพื่อที่เราจะได้เขื่อนเนี่ยสันเขื่อนสูงเท่าไหร่มันหมายถึงปริมาณน้ําเหนือเขื่อนในมหาศารเลยใช่ไหมแล้วค่อยมาผิดไฟฟ้าพลังพลังสูงจ่ายเดี๋ยวนี้เขาขายกระแสกันไฟฟ้ากันราคาแพงๆใช่ี้มแล้วคนไทยพอใช่ไหม ไม่พอใช้ไปเอาลาวเอาพมา่าเอาเขาเหม็นอะไรไปซื้อเขาแพงๆนะแล้วก็จะสร้างขึ้นในประเทศไทยมันก็มีคนไม่เห็นด้วยก็เยอะแล้วมันก็ทำยากนั้นเงินไขต่างๆเราเนี้ยที่จะสร้างโลกุตละปัญญาเนี่ยสำหรับตัวเอาเราเองเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคเลยแล้วแต่ว่าเรามีศรัทธาและมีความเพียรมากแค่ไหนทำไปนะแล้วชีวิตที่มันจะสนุกอ่ามันสนุกเพราะมันค้นพบ ของใหม่ๆเรื่อยๆการค้นพบสิ่งใหม่ๆมาอยากจะเรียกว่าอันนี้คือเ จ, จริญสติประฐานสี่เป็นนวัตกรรมสร้างโลกุตแล้วปัญญานะเป็นนวัตกรรมที่ต่อไปในชาวโลกต้องสนใจกันมากขึ้นนะเพราะมันไม่มีทางอื่นเลยพุทธเจ้าบอกเอกายนโนมาโคสตานังวิสุทธิยาทางนี้เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้มันจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดพ้นทุกข์นภัยพ้น ลกูกไปเคยเจ็บต่างๆมีทั้งเดียวที่นี้ทางอื่นไม่มีท่านจัดเอาไว้ดังนั้นพวกเราโชคดีตรงที่ว่าได้มาศึกษาเรื่องนี้ก่อนแล้วต่อไปถ้าคนรุ่นต่อไปที่เขาต้องการศึกษาเนนี้เราก็กลายเป็นใครกลายเป็นครูเป็นการะยานิมิตรใช่ไหมแทนที่เราจะเดินตามฝรัง่งด๊อกด๊อกเราก็สอนฝรั่งได้เลยอะ่ะ น, นะแต่มาเรื่องนี้ถ้ามาไปทําต่างประเทศเนี่ยมันมันไปไกลอะ่ะแต่ที่นี้เรานึกถึงคนไทย เป็นเจ้าของพุทธศาสนา 95% แต่คนไทยเรื่องนีไม่ไปไหนเลยเรื่องเหล่านี้มันทิ้งไม่ได้นะก็เลยว่าจำเป็นต้องมาบอกแต่ที่นี้ถ้าไปเอามาบอกสอนกับชาวบ้านธรรมดามาหลายปีเนี่ยมันเวิร์คน้อยมากเวิร์คน้อยมากแต่ว่ามันก็ให้ประสบการณ์อะไรหลายอย่างกับเราก็พยายามที่จะเลือกคนทีนี้เลือกคนที่ตั้งใจมีศรัทธาขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงพวกเรานี่แหละ นั่นก็เลยว่าอยากจะให้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะอย่างน้อยเป็นผลดีแก่ใครก่อนถ้าเราศึกษาได้เป็นผู้ดีแก่ใครก่อนอ เ, เราเองเราไปขยายไปหาคร อ, อบครัวภรรยาสามีพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมมันก็ขยายออกไปในสิ่งที่ดีๆเหล่าเนี่ยแล้วเรามีลูกดีสามีดีพ่อดีแม่ดีพี่น้องดีมันก็ดีกว่าที่ไม่ให้กันเลยใช่ไหมอยู่ไปก็สิ่งแวดล้อมไม่ดีเราก็ไม่มีความสุข แต่ถ้าเอาสิ่งนี้ไปให้เข า, เราสร้างสิ่งวิญญแวดล้อมอย่างไรเนี่ยทีนี้การให้คนใกล้ชิดไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่หมเป็นเรื่องที่ยากมากแต่มันเป็นเรื่องที่ท้าทายใช่หมเอามารู้เรื่องนี้ขั้งแรกเนี่ยคนแรกที่ามานึกถึงก่อนคือยมแม่นะยมแม่กับอารมา น, นี่ก็เรียกว่าเป็นขมิญกระปูลนะใช่ไห <laughs> พ่ออะไรพ่ออามาเป็นเด็กที่ซนใช่ไหมทีนี้ยมแม่ก็่อยากให้ซนก็ห้ามน่หนห้ามนี่ แต่พอเราปวดมันก็ทัศนคตินี้ก็ไม่เปลี่ยนจนกระทั่งเอามาพยายามอยู่ไม่เวิร์กตอนแรกก็เลยพาไปมาหารลพอเทีย น, นาพามาหาหพเทียนที่ตอนหนึ่งหวพอเทียนถามว่าโยมโยมรักลูกของโยมไหมรักรักมากไหมมากถ้าโยมถ้าลูกของโยมมีสิ่งที่ดีที่สุดให้โยมเนี่ยโยมจะรับไหมรับค่ะ ตอนนี้เข้าทางเลยเออสิ่งที่ลูกของโยมมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาลูกโยมให้อะไรโยมรีบไปเอานะเจ้าข่าเจ้าข้าวนี่ยต่อจากนั้นฉลุยเลยทีนี้เนี่ยหลังจากนั้มาแกก็มาปฏิบัติจนกระทั่งทุกวันเนี่ยแกก็ปฏิบัติอยู่ตอนเช้าข้าวคัวทําหาเสร็จก็ไปปฏิบัติตอนเย็นมาเตรียมนั่งเตรียมข้าก็ไปปฏิบัติอยู่นั่นเนอ่ยดังนั้นเอง พอเราให้โยมแม่ได้คนอื่นยากไหมไม่ยากแล้วนะเป็นพี่เป็นน้องในทางให้ได้หมดแต่คนที่เขาไม่รับก็มีนะพี่น้องท่องเดียวกันเนี่ยคานตามกันมาเนี่ยไม่ใช่เขาจะรับได้เขาก็มีโลกธาตุของเขาอีกแบบหนึ่งเราก็บอกว่าศาสนาบาลมีเขาไม่พอก็ต้องปล่อยไปตามทางของเข า, าฮะมีข้ออ้างหลายอย้างพยายามมาแล้วใช่ไหม <laughs> ก็จะรู้ว่าแต่ว่าในบรรดา ญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกเต้าเนี่ยในบรรดาเหล่านี้ใครมีแววก่อนให้ก่อนนะแต่ว่าการที่เราจะให้เขาได้ในสิ่งแรกที่สุดเราต้องเปลี่ยนแปลงให้เขาเห็นนะถ้ายังทำเหมือนเดิมอยู่ให้เท่าไหร่เขาก็ไม่เอาหรอก <c oughs> <c oughs> ยังยังเป็นคนอะไรพูดมากขี้บุญเหมือนเดิม แล้วก็ไม่เรียบรอ้อยทําอะไรก็เวลาเขาพูดอะไรมันก็สวนเหมือนเดิมมีนะไม่มีทางอ น, นะเย <c oughs> ต้องเปลี่ยนแปลงให้เขาเห็นก่อนว่าอะไรนิสัยของเราที่เขาเล่าไม่ได้รับเราไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงให้เขาเห็นก่อนมีโยมคนหนึ่งเวลาใกล้จะมุดนนะเป็นคนที่ช่วยจะมาได้มากที่สุดในอเมริกาโยมชุมพรงานนี้จะมาก็เลยแจะติดปัญหาเรื่องไงดูแลลูกแก เป็นคนลาวเมียของในพันทหารคนลาวในสมัยที่ลาวไทยลาวาลบกับทางการรุกรานของเวียดนามของจีนของอะไรเนี่ยอเมริกาเข้ามาช่วยทีนี้พอลาวเพิ่มพําพวกทหารพวกผู้ดีทั้งหลายนี่ก็ต้งถูกต้องถูกต้องย้ายอ่อยู่ไม่ได้ครอบครัวนี้ก็ย้ายไปอเมริกาปรากฏว่าในช่วงที่เขา อยู่กับคนไทยเนี่ยเพราะเขาเข้ามาเข้าค่ายใช่ไหมเข้าค่ายอพยพอ่ะคนไทยเอาเปรียบเขาทุกอย่างเพราะเขาโกรธแค้นมากคนลาวเนะีที่ว่าเมื่อคืนพระราชเล่าเมื่อคืนนะคนลาวในฝรัง่งคนไทยในฝรั่งเศสนี่แทบจะไม่ค่อยมีแต่ไปอยู่ที่เยอรมันอยู่คนละค่ายคนลาวอยู่ที่ฝรั่งเศสคนไทยอยู่ที่เยอรมัน <laughs> เพราะอะไรเขามีปัญหากันมาก่อนเสร็จแล้วสามีแกก็บอกวัดไทยจะไม่เข้ า, ค น, ขาคนไทยจะไม่คบอยงเงี้ยนั้น แต่วายงสมพรในแกฉลาดมาไปอเมริกาใหม่ใหม่ก็เอาซีดีอะไรไปแจกวัดต่างๆที่นี่แกไปวัดลาวเข้าไปวัดลาวหลวงพ่อทาววอนที่วัดลาวแกก็เปิดศีดีแตมาทีนี้จะบังเอิญไปได้ยินเขา้าพอดีเขาก็เกิดเกตขึ้นมาเข้าใจก็ก็ตามตามหาธรรมาก็มาที่วัดธรรมาที่วัดปุตตะบุรีนันทารามก็ พอพูดให้เข้าใจแกเริ่มลงมือฝึกเลยสามวันเข้าใจลูกนาม โ, อ, โอ้คือคือคนเราวนี่ยเขาทุกข์มาก น, นะทุกจากการอุปยพทุกจากการดูแลทุกอะไรต่างๆพอเป็นทุกพับเขาก็ตั้งใจจริงจังพอเข้าใจแล้วก็มาทําที่บ้านแกก็ทำงานคาสิโนอยู่ตอนนั้นนะทํามาในคาสิโนวันไหนที่มีวันว่างวันปิดแกก็รีบปฏิบัติเก็บอารมณ์ตัวเองที่บ้านแกปฏิบัติไม่นานเข้าใจ พอเข้าใจแล้วแกขอบทเป็นชีเพื่อเก็บอารมณ์เข้มอีกพรรษาหนึ่งเหลยนะปรงผมบทเลยนะฮอลา ง, งานพอเข้าใจได้มากขึ้นมากขึ้นแค่เปลี่ยนแปลงจากคนที่ไม่ยอมสามีนะหมายความว่าสามีมาชอดมาคำหนึ่งแกก็ต้องให้สิบคำเหมือนกันอะไรที่เรียกว่าตรงข้ามกันหมดอ่ะเพราะคนมันมีปัญหากันมาก่อนทีนี้หลังจากแกปฏิบัติแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลง สามีก็เห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงของแก่ความเป็นคนเงียบผลใจเย็นแล้วก็พูดอะไรมีสาระไม่มีสาระก็ไม่พูดเวลาจะเข้าเก็บปฏิบัติอะไรก็เตรียมอาหารให้ลูกให้สามีเรียบร้อยเอาใส่ถตูยเย็นนะถึงเวลาพวกเดอร์จะกินก็ไปอาใส่ไมโครเวฟอุ่นเอาเองนะฉันจัดเก็บม้เรียบร้อยแล้วสี่ห้าวันนี้เดี๋ยวอย่าใครอย่ารบกวนฉันนะฉันเข้าเก็บตัวแกเข้าห้องพักก็ปฏิบัติของแก่ ลูกสามีครแยกกลับมาก็ไปเปิดตู้เยน็นเนื้ออาหารไปหางไปกินเท่า น, นั้นเองปรากฏว่าสามีของแกเนี่เห็นความเปลี่ยนแปลงเลงห็นความดีของแกคนละเรื่องเลยทีนี้แกก็ฉลาดต่อมาทางวัดป่ามีงานนะนั่นแกก็บอกเออพ่อนี่ทางวัดป่าเขามีงานต้องการแรงงานนะไปช่วยหน่อยดิทีนี้คนเห็นความดีก็เกิดการเกรงใจใช่ไหมขอร้องแก้ามาพอมาบ่อยเข้าบ่เข้า พวกธรรมาก็เป็นาพารที่อยู่มาเสียเป็นคนอีสานพูดภาษาลาวกันรู้เรื่องก็พูดกันไปคุ้นเคยมากเข้ามากเข้าง่ายเลยทีนี้ <c oughs> มาฟังมีพิธกรรมมีเทศการจุกสัตว์อะไรแกก็มาจนกระทั่งมาจาริที่สามวันห้าวันเจวันแกก็มาร่วมร่วมหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไปเราไปจารีที่ต่างรัฐก็ให้แกเปขบับรถ ถ้าใหญ่ชุมพอนี่ไปเป็นแม่ครัวนะพ่อมาไปจานอีที่ไหนมีทีแม่ครัวไปด้วยเพราะงั้นแหละมีทีแม่ครัวไปเพราะอะไรถ้าไปเอาครัวตามที่เขาบ้านเขาจัดเนี่ยมันไม่สามารถควบทุมอาหารได้อาหารหนักเกินไปอาหารเนื้ออาหารหยาบลวหนี้งกินแล้วก็ง่วงทั้งวันดิใช่ไหมแล้วไปจัดอาหารของเราใหม่เป็นอาหารโครงสร้างที่เป็นไบโอติกเป็นผักเป็นผลไม้เป็นส่วนใหญ่ถ้าจะมีก็มีปลามีไข่นิดหน่อยเนื้อไม่ให้มีเลยพอทํำนี้มันก็เบา พอเบาปฏิบัติก็ได้ผลอันนี้คือเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้าจะช่วยคนที่อยู่ใกล้ตัวเราต้องเปลี่ยนแปลงให้เขาเห็นก่อนอพ่อแม่เคยมองเราในทัศนะไหนนะเราเคยกินแล้วไม่ล้างผ้าะจะให้คนต่คนอื่นซักหรือว่าในห้องนอนของเกะกะไปหมดอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้มาไปสอบปรุงพระมาก็ต้องไปดูที่ห้องนอนของท่านก่อน เพราะถ้ายัางของวางอะไ็กขกขะอยู่ก็ไม่สอบให้แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่สุดสิ่งที่รอบตัวเนี่ยต้องเรียบร้อยก่อนเริ่มมีอารมณ์กรรมฐานแนละ้เริ่มมองเห็นสิ่งใกล้ๆตัวแล้วอันไหนใกล้ๆตัวไม่เข้าท่าเริ่มจัดเป็นอ่แล้วห่างตัวไปมันค่อยเกิดขึ้นดังนั้นพอเราจเจริญสติอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะมองปัจจุบันได้มากขึ้น พอเห็นปั จ, จุบันนั้นมาขึ้นเราจะเห็นความเรียบร้อยไม่เรียบร้อยเห็นความงามไม่งามเห็นความเป็นระเบียบไม่เป็นระเบียบแบบแรกเลยใช่ไหมแต่ถ้าว่าจิตยังพุ่งไปอดีตอ น, นาคตไกลตัวอยู่เนะี่ยเราจะไม่เห็นสิ่งรอบตัวเห็นอยู่แต่มันเห็นผืนผืนมันไม่เกิดการอ่ามั น, ม, นมันมีข้อมันเองอะ่ะสํานึกอันนี้นะมันจะเกิดความระเบียดระไม่มขึ้นความมีศิละปะศีลก็จะเกิดขึ้นศีลภายในจะเกิดต้องเกิด ศีลภายนอกจะเกิดต้องเกิดศีลภายในซะก่อนศีลภายในคือชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยชอบความสงบสันติชอบความที่เป็นธรรมชาติในศีลศีลภายนภายในเกิดก็ศีลภายนอกก็จะเริ่มมีแต่ส่วนใหญ่แล้วรักษาศีลแต่ภายนอกภายในยังไม่มีศีลเลยรักษารอดไหมอ่าไม่ลอดแต่พอวันเกิดศีลภายในแล้วศีลภายนอกจะมีกี่ร้อยกี่พันข้อรักษาได้ง่ายมากเลยนะ ดังนั้นเรื่องเหล่านี้ขอให้ปฏิบัติให้เข้าใจให้ถูกต้องแล้วมีผลดีต่อเรามีผลดีต่อคนแวดล้อมของเรามีผลดีต่อพ่อแม่เราไปโปรดพ่อแม่ได้โยไม่ต้องโยงผู้หญิงไม่ต้องน้อยใจว่าเราไม่เป็นผู้ชายบวชปรดพอ่อปรดแม่ก็ได้แค่มาปฏิบัตินี่ก็ปรดได้แล้วเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงพ่อแม่ได้แล้วก็จูงพ่อแม่เข้ามาปฏิบัติใช่ไหม ต่อไปเนี่ยบางทีไม้งคนไอะไรจะมาพาพ่อแม่มาปฏิบัติได้ถือว่านั่นนะมีการเปลี่ยนแปลงคนแรกเลยนะพาสามีภรรยาที่ไม่เห็นด้วยกับเรามาปฏิบัติได้นั่นถือว่าเป็นงานชิ้นโบแดงเลยนะออันนี้จะเป็นตัวเขาเรียกอะไรเป็นวุฒิบัติรับรองอย่างดีเป็นเซอร์ติฟิเคตรับรองอย่างดีว่าเออมีผลงานนะ ล, ลองดูนะดังนั้นเองในเรื่องนี้ที่ปา ร, รบเอาไว้เพื่อให้เกิดแรงศรัทธาที่จะต้องทํา ตามตัวรู้ของเรามาอยู่กับตัวให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้หวังว่าคงจะไม่เห็นคนนั่ง ง, ง่วงเข้าไปสู่กงงงรารห่วงแสดงวันผ่านข้ขอบุกพ่อมาหลายขั้นตอนมากแล้วนะขั้นตอนสุดท้ายแล้วง่วงเี่นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องเริ่มดูขั้นตอนในตัวมาได้ยังไงย้อนสอนเลยเวลามันทําท่านก็ย้อนสอนมาได้ไงไตัว ง, ง, ง่วงเห็นมันตัวประหลาดเลยไม่ใช่เห็นเป็นเพื่อนสนิท น, นะ เห็นเป็นทียากรอบลราไม่ได้เห็นเป็นตัวประหลาดเข้ามาหลายตัวประหลาดเนี่ยก็เริ่มหาที่ไปที่มาของมันหาซอทุ่มมาจากไหนนะแล้วก็เริ่มแก้ไขนะเพราะฉะนั้นเราจะอแก้ปัญหาที่ต้นเหตุดังนั้นเรื่องธรรมานุปัสสนาช่วงเช้านี้ก็คือเรื่องที่เราต้องผสมผสานในเรองการใช้ความรู้สึกตัวนี้ที่หลากหลายขึ้นนะทางกายก็ รู้สึกได้ทางเวทนาก็รู้สึกได้ทางจิตก็รู้สึกได้ทั้งอารมณ์ก็รู้สึกได้เป็นชั้นเป็นชั้นไปแต่ชั้นแรกเอากายให้ชัดก่อนตัวกายชัดต่อไปไปดูเวทนาเวทนาชัดไปดูไปดูจิตรู้จิตชัดต่อไปไปดูอารมณ์ถ้ามันชัดทั้งสี่อย่างนี้สติปัฏฐานก็สมบูรณ์มรรคแปกก็เกิดขึ้นเองวิชาวิมุตติก็เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะเพราะนั้นชมเช้ า, ชานี้เราน่าจะหมดเวลาแล้วนะเลยเวลาไป5นาทีก็ขอขอนุโมทนา สาตว์ทุกความตั้งใจที่เราศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้อีกวันหนึ่งเต็มๆนะแล้วก็ขอให้อันไหนที่เรายังทำไม่ได้ก็ลองศึกษาทำดูอันไหนที่ทำได้ดีแล้วลองประคับประคองเพิ่มพูนมันดูแล้วสิ่งนี้มันจะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงจากคนทุกง่ายไปคนทุกยากจากคนสุขยากไปคนสุขง่ายด้วยการทุกคนทุกท่านทถน